สิกขาบทที่3เรื่องพระชพปภี619สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันรามของอนาถาบินที่กะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุทชาปีพูดคุยทั้งทั้ง ท, งที่ในปากมีคำข้าวพระบัญญัติเพิ่งทำความสำเนียกว่าขณะที่ในปากมีคำข้าวเราจะไม่พูดคุยเรื่องพระชพปีจบ สิกขาบทวิพังพิสูจไม่พึงพูดคุยขณะที่ในปากมีคํำข้าวพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อพูดคุยขณะที่ในปากมีคําเข้าต้องอบัติทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. นพิกษุไม่จงใจ2อพิสูุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกุลจริต7จพิสูจต้นบัญญัติสิกขาบทที่3จบ